2.25 หลวงพ่อเทียนสอนให้รู้สึกวงเล็บเปิดสิ 19. มกราคม2550ั25ในวงเล็บสองจุดจุดนาที55้าบห้าวงเล็บปิดอย่าเข้าใจผิดนะหลวงพ่อเทียนไม่ได้ให้ดูความเคลื่อนไหวหรอกหลวงพ่อเทียนให้รู้สึกให้เคลื่อนไหวเพื่อจะรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นไม่ได้ดูความเคลื่อนไหวของมือนะอย่าเข้าใจผิดหลวงพ่อเทียนขยับเนี่ยแล้วใจแอบไปคิดแวบก็รู้ทันท่านถึงสอนว่าเครื่องหมายคําพูดเปิด ถ้าเห็นว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติปิดเครื่องหมายคำพูดรุ่นหลังเริ่มทําคลาดเคลื่อนแล้วเริ่มไปเพ่งใส่มือไม่ให้จิตนี้ไปไหนเลยไปเพ่งใส่มือไม่ตรงกับที่ท่านสอนนะท่านบอกว่าเขย่าธาตรู้ธาตรู้คืออะไรธาตรู้คือจิตเราตั้งหากละ่ะใจหนีไปคิดก็รู้ว่าใจหนีไปคิดถ้าไม่รู้นะเราจะหลงอยู่ในโลกของความคิดเลยดังนั้นหลวงพ่อเทียนให้ขยับเพื่อไม่ให้หลงไปคิดนานขยับแล้วพอใจลอยแวบรู้สึก แวบรู้สึกไปหลวงพ่อเคยเข้าไปหาท่านสองครั้งนะเห็นท่านขยับแล้วโอ้หลวงพ่อเทียนขยับยอดเยี่ยมมากหลวงพ่อเทียนขยับแล้วตื่นตอนนั้นท่านสอนโยมเต็มศาลาเลยโยมมีสองพวกนะถ้าไม่เพ่งก็คิดถ้าไม่เผลอไปเพ่งก็เผลอไปคิดมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวขยับไปเนี่ยใจลอยรู้ทันว่าใจลอยไปแล้วต้องรู้สึกตัวไม่ใช่ไปเพ่งเอาขยับนิ้วใจทื่ๆตรงนี้ผิดมันคือการไปบังคับใจตัวเองไม่ใช่การรู้นะ หลวงพ่อเทียนบอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติปิดเครื่องหมายคำพูดดังนั้นเราขยับไปเนี่ยจิตแอบไปคิดแล้วเราคอยรู้เอาพอรู้ตัวขึ้นมาแล้วนะท่านสอนต่อว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดปิดเครื่องหมายคำพูดนี่หลวงพ่อเทียนสอนอย่างนี้ของเรากลับไปคิดว่าต้องเพ่งกายไม่ให้เผลอเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุด จะไปจ้องใส่กายจ้องใส่ลมจ้องใส่อะไรมันก็จ้องทั้งนั้นแหละเป็นความหลงทั้งหมดเลยหลงเพ่งให้รู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆ